รัตไตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่ยี่สิบสองสุตตันตปิฎกอังคุตระนิกายปัญจกักนิบาทชุมนุมธรรมะห้าข้อจตุตถะปัญ น, นาตหมวดห้าสิบที่สี่วักที่หนึ่งสัตธรรมวักว่าด้วยสัตธรรมตรัสแสดงถึงผู้ฟังธรรมะที่ไม่ดีและที่ดีหลายใน ที่ไม่ดีคือที่ไม่ควรจะก้าวลงสู่ทํานองคลองธรรมอันถูกต้องในกุศลธรรมที่ดีคือตรงกันข้ามที่ไม่ดีเช่นขมหรือดูหมิน่นเรื่องที่แสดงผู้แสดงและตัวเองมีจิตฟุ้งซ่านมีจิตไม่มีอารมณ์เป็นหนึ่งไม่ใส่ใจโดยแยบคายที่ดีคือตรงกันข้ามเป็นต้น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 ต่อจากนั้นเป็นคำสอนของพระสาวรีบุตรในเรื่องทำนองเดียวกันเป็นแต่ยักย้ายในวักที่สชื่ออุปาสกวักว่าด้วยอุบาศกตรัสแสดงอุบาศกผู้ประกอบด้วยศีลห้าว่าเป็นผู้ก้าวลงสู่ความกล้าๆตลอดจนได้ตรัสถึงการค้าขายที่อุบาศกไม่ควรทำ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 ในทํานองเดียวกันสำหรับคำว่าทุดงหมายถึงข้อปฏิบัติขัดเกลากิเลสมีอยู่ส3าข้อมีการอยู่ป่าเป็นต้นวักที่ห้าปรามนวักว่าด้วยปรามตรัสแสดงธรรมะเก่าแก่ของปรามห้าประการซึ่งในบัดนี้ไม่ปรากฏในปราม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 พรามย่อมไม่ซื้อขายปรามณีย่อมอยู่ร่วมกันด้วยความรักใคร่สัมพันธ์กันสพรามย่อมไม่สะสมทรัพย์เข้าเหลือกทองเงินหพรามย่อมหาอาหารเย็นกินเย็นหาอาหารเช้ากินเช้าข้อนี้หมายถึงถือการผิาจารณาไม่เหมาะสมหรือขอเอาไว้กินในมืออื่น ตรัสแสดงธรรมแกโทณภรามเรื่องคุณธรรมของพราหมณ์ในทางที่เนื่องด้วยการอบรมจิตตรัสแสดงธรรมแก่สังขาวราวะพราหมณ์เรื่องคุณธรรมที่ทําให้มนแม้ที่ไม่ท่องบน่นยังคงจําแจ้งอยู่ตลอดกาลนานโดยชีย้ไปที่การทําให้จิตปราศจากนิวรหะสําหรับนิวรหะในตรงนี้เฉพาะข้อหนึ่งทรงใช้คําว่ากามราคะ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 ตรัสแสดงความฝันเรื่องใหญ่คือมหาสุบินห้าประการก่อนที่จะตรัสรู้คือหนึ่งส่งฝันว่ามีมหาปตพีเป็นที่บรรทมมีขุนเขาหิ ม, มพานเป็นหมอนระหัตซ้ายขวาพาดมหาสมุทรด้านตะวันออกตะวันตกประบาททั้งคู่พาดมหาสมุทรด้านใต้แล้วทรงอธิบายว่าหมายความว่าจะได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ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 แล้วได้ตรัสแสดงโทษของภิกษุผู้ก่อการทะเลาะวิวาทโทษของการพูดมากเป็นต้นวักที่สามอีฆาจาริกวั์ว่าด้วยการเที่ยวไปนานหรือเดินทางนานตรัสแสดงโทษของการจาริกเป็นนานโดยไม่มีจุดหมายว่ามีอยู่ห้าอย่าง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 ที่ประกอบด้วยธรรมะห้าอย่างว่าเป็นผู้ไม่ควรสรรเสริญอัธกถาแก้ว่าไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเจริญคือไม่สมบูรณ์ด้วยอากับปิริยาและวัดหรือข้อปฏิบัติไม่สดับตรับฟังมากไม่ทรงจำไม่ขัดเกลากิเลสไม่ยินดีในการขัดเกลาไม่ยินดีในความดีไม่มีวาจาไพเราะ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 และแสดงเฉพาะข้อธรรมะที่ไม่พ้องกันโดยมาก